ดังที่ว่ามาแล้วนันเองไม่ใช่ได้อยากจะเรียนร่วงอบาลจะมุกทุกประเภทไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสตร์อื่นไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกพันจะภาวนาตลอดรูปก็ตามแต่ชั้นเจก็ตามแต่ชั้นอะไรก็ตามถ้ายืนค้าวเลี้ย่าปากกินลมเหมือนชมพูกะก็ตามถ้ายังเชีดายาลล 5, อยากร่วงระเมิดเสียน้าเสียดายอยากจะถือศาสตร์อื่นเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกพันเสดายอยากจะถือเลื่อยามีก็ไม่ใช่พระโสดาวัน มันก็เป็นพระโสดันโสดาวโสดกาดคัดด่นเองถูกหถ้าเปิดประตูพระโสดาวันแล้วสักก า, า, า, าระเมียนาคาระเมียอะไรก็เปิดประตูไปในตัวนั่นเองไม่แวะซ้ายแลขวาแลไม่คอยหลังด้วยหลักของพุทธศาสนามีอยู่อย่างนั้นทําไมจึงมีโลกีมาผลไปกันก็พระเอ ศาสนาอื่นมานปนเปรียกศาสนาพุทธมันก็มีทั้งโลเกและโลกุตระสิอาจจะแท่พระพุทธศาสนามีแต่โลกุตระเน็ตนั้นจึงยืนยันสุภเทปันโนท่านั้นเป็นพรมจันเรเบื้องต้นถูกไหมคนที่ควรใชื่ได้มาที่ควใชื่ได้ในทางพุทธการก็หมายถึงพระโสดาบันเท่านั้นตํากว่านนั่นลงมาเชื่อไม่ได้เพราะพระโสดาบันไม่ได้พูดเท็จก็เชื่อได้ที่ก็ไม่ใช่อได้ร่วงละเมิดอเสียง้า สิ่งไนไม่ใช่ได้ร่วงแล้วเว้ยสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเช่นพระรหัต์ท่านพ้นไปแล้วท่านไม่ใช่ได้อยากโรคไม่ใช่ได้อยากโกรธไม่ใช่ได้อยากหลงเห็นนั่นโรคโกรธหลงจึงเป็นของมไม่ลำบากไม่ลําบากคับของท่านผู้พ้นไปแล้วความดีคนดีทำในงาน่ายความดีคนชั่วทำในยากความชั่วคนดีทำในยาก คนชั่วคนชั่วทำอะรง่ายมีความหมายอันเดียวกันมีความหมายตรงกันข้ามเจ้าสนดอกไม้แมลงผู้แมลงพึ่งหาจริงง่ายมดพูดแมลงวันหาจริงง่ายใช่หรือไม่เมื่อแลงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันใช่ไหมแมลงผู้แมลงพึ่งมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันมันถูกคนละอย่างคำมุนาวัตติโรโกสั้างโลกเป็นไปตามกคำ กรรมและผลของกรรมเป็นสารใต่สวนและสารตัดสินชาวโลกทุกยกคทุกสมัยไม่ลําเอียงเข้ากับชั้นวันละนใดเลยถ้ากรรมและผลของกรรมมีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสานาเหมือนกรรผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือผู้ผูเชื่อพระพุทธศาสนาหนึ่งเอนผู้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือผู้ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาหนึ่นเองถ้าพระพุทธศาสานาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเรานี่เองเขาก็มาว่า ม้าสินกปู่นกปู่ไล่ผีออกให้ด้วยเออไล่ผีก็ถ้าไล่ออกจากใจถ้าใจไม่ถือผีก็ไม่มีผีไม่มีแกผู้ไม่ถือใจผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำเขาพูดอย่างนั้นนกปู่นกปู่ไล่ผีให้ด้วยเออผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแกผู้ไม่ทำผัวเมียไม่มีแกผู้ยอมเป็นโสดที่เด่ไม่มีแกผ่านหันเขาพูดอย่างนั้น ถูกไหมถูร้อยปเปอร์เซ็นคำสอนพระพุทธศาสนาะสอนย่อลงมาเองจงทำจิตให้บันเทิงในการละ่วดทำดีเป็นคำสอนของพระเจ้าท่างหลายใครบัญญัติ่าปนคนโทษถูกก็พระพุทธศาสนาะสอนนเหนือจางนั้นอย่าเอามาเอ่ย เ, ย เ, ยยเนเื้อ เรื่องนี้การแผ่เมตตาให้เขามันก็เป็นธรรมเนียมของความพิสุจที่ไม่มีเวณีภัยแต่มันจะหายหรือไม่หายมันก็ขึ้นอยู่กับอโหสิกรรมคือกรรมให้ผลสำเร็จแล้วเช่นพระอรหันต์อย่างนี้พระสมัรเพุทธเจ้าของเรา เคยได้วางยาคนไข้ผิดมาแต่พบกฎเกนที่สร้างวารมีอยู่เวลาองค์ท่านจะเข้าสู่พระเนปาลก็บรรดานไปฉันหงวลของไหนสุนทักรรมมารบะบทซะก็เลยลงพระโลหิตทัศเสะเจนจรไปเมืองกุสินาราตื่นเช้ามาองค์ท่านก็ชิดลมปาในวันนั้นนี่เรียกว่าอโหติกรรมกาให้ผลสำเร็จแล้ว ผลของกรรมตามไปก็ไปถึงแต่ขันห้าเพราะท่านไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นเราเราเป็นขันห้าแล้วมันก็ตามถึงแต่ขันห้าเท่านั้นมัน ม, มันไม่ตามถึงพระนิพพานเลยเข้าใจนะที่นี่นะแต่พวกเรามันต้องตามมาถึงมันไม่รับรอกกรรมในผลของกรรม ก็มาสังกมเหตุกรรมดารานโรกรรมโยนี้กรมะบันดุกรรมะปฏิปลายังกรรมังกฤตันทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญและเป็นบาปจักได้รับผลของกรรมนั่นถือไปเอวังนำให้อภินาฮั่งปัจเจเวคที่ตับังแล้วตั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดน่ะกรรมและพวกของตามตามมาไอ้พวกเรามันตามมามันก็ได้ทางหนังทางเขาเพราะกเกศเรามีอยู่ถูกไหมตามไปถึงพระรหัน์พระรหัน์ไม่มีเกศมันก็ ไม่ได้หนังไม่ได้นักคาหนังคาเขาเพราจิตของท่านพ้นจากขันห้าไปแล้วพ้นจากเกเรตทั้งปวงไปแล้วเรียกเอาเอาโหที่กรรมกรรมให้พ้นสาเร็จแล้วถูกไหมท่านหาร้ยปเปอเซ็นพระโมคคัลลาเขาพันกันโจรห้าร้อยตามไปทุบตีพระโมคคลามันก็ถูกแต่ขันห้ามันไม่ถูกติตใหญ่และธรรมะของท่านซักเพราะท่านพ้นจากเกเรตไปแล้วออกจากนอกโลกไปแล้วไม่ได้อยู่ในโลก ขันห้าก็คือโรคขันธโรคพระเพปานไม่บัญญัติว่าขันห้าใช่นิพพานสองโดยบรรยาย้ก็มาในบัญญัติบัญญัติว่าขันห้าวิธีสร ะ, ะเคราะไม่มีในพระพุทธศาสนาแต่ชาวโลกเอามาปนไปกันเอาศาสนาพราหมณ์มา สระเคราะก็คือปานาติบาตเว้นจากข้าศึกนะถ้าไม่เว้นจากข้าศึกสระเคราะห์ก็ไม่ไหวละทินนาเทอร์เวรมานีเวนอันนี้พ้นไปแล้วสิ่เขาปรังสมาธิามิกำบางชนิดเราไม่ได้สร้างในชาตินี้แต่เราสร้างในชาติก่อนมันตามมาถึงก็มีเหมือนหมาเลยเนื้อตัวไหนสันก่อนมันก็กัดตัวนี้ยังไม่สันก็กัดทีหลัง กูทําดีจะตายทําไมจึงได้ชั่วไะก็ชาติก่อนท่านทําอะไรไมาบ้างไม่เห็นซักกาบางชใช้เรีให้ผลในภพนี้และภพหน้าให้ผลในภพนลลตามกิจตามลําดับให้ผลในภพสืบๆให้ผลเป็นลําดับให้ผลตามกิจให้ผลสำเร็จแล้วพาาระอรหันให้ผลสาเร็จแล้วตามไปมันก็ไปถึงแต่รือน่างมีปัญหาสอดเข้ามาว่า กรรมที่ทำไม่มีเจตนาเป็นกรรมไหมก็เป็นกรรมเหมือนกันพระบรมศาสตราวางยาเขาเก็บเขไม่มีเจตนาพระองค์หนึ่งชาติก่อนท่านเป็นลือสรีท่านฟักไม่เท่าไปไปถูกหัวกบตายท่านก็ไม่รู้ว่ากบตายอีกซะด้วยท่านก็ผ่านไปพอมาเกิดในศาสนะพระบรมศาสราของเราถ้าไปเดินจงกรมอยู่ที่ริมทางเขาขู่หอกเขารก ไปถูกท่านใช่เขาไม่มีเจตนาก็เวรที่ไม่มีเจตนาสักหัวกบท่นเองถ้าก็ถอดห อ, อกออกแล้วท่านก็คานเดินตะกลมเสร็จสําเร็จพระอรหารนพิจารณาทุกเป็นอารมณ์กรรมที่ไม่มีเจตนามันตามมาถึงเหมือนกันน่นในยกเว้นเอ้าเราไม่มีเจตนาจะลุมหลมลุ่มสานเพลิงมันร้อดไหม เราลงไปเ ร, เราลงไปเราลงไปไปไปไปลมอ่ะมันก็ร้อนเหมือนกันชันไหนก็ไม่ไม่มีเจตนาก็เป็นกรรมเหมือนกันกรรมที่เห็นกับชา้างเราเห็นเีงทำไมรัชการที่หกคนหนึ่งเขาไปฆ่าคนทำไมนะั่นรัฐบาลจ้างเอาไม่ต้องเอาตํารวจคนนั้นมันป้นเขาเก่ง นักการที่หก น, น, นานๆจนจะเ อ, เอาออกมายั่งเป้า น, น, นานๆสีห้าปีจงจะมีขั้งหนึ่งสมัยสมัยนักการที่หกมันไปป้นเขามันไปป้นเขาแล้วก็เอาออกมาเอาออกมาเห่เ ห, ห่แล้วเอาไปเอาไปตัดคอแล้วก็จ้างคนมานอกตัดไม่ให้ตำรวจเหมือนทุกวันนี้จ้างเขาสี่เชบบาทสี่ียบาทมันเหรียญนะเงินนั่นมีราคา คนไปแห่ดูตั้งพันๆตัดคอตายเลยปูกกบะติดหลักไว้แต่ส่วนหลักไม่ให้พ้นคอเพียงไรตัดคอเลยขาดเลยคข อ, ขอแกแกก็เป็นนักโทษพ้นเผ่าเพชรฆาตคนนั้นนานประมาณยี่สิบปีก็มาถึงสงคามอินโดจีน ของความเนโนเจนเครื่องบินเขาตกระมาทิ้งลูกระเบิดนะตอนเช่าตู้โดนเจ้าสวะทิ้งลูกระเบิดลำเดียวซะทั้งแกเข้าไปนอนเสียงไยัยสียงไยไฟอยู่ที่รถมะม่วงที่สวนของแกอยู่ที่ใตยบ้านของแกเครื่องบินมาก็ทิ้ง ล, ลูกระเบิดลงก็ทูหัวแกเลยลูกทักะปัดนเลยะ ขาดเลยเหมือนเหมือนจอบสับอวะก็เวรของท่านเส่อไปไปฆ่าน่าเดอนเห็นกับท่านเลยอันนี้เขากระบา พ, พอฆ่าแล้วถึงอย่างนั้นมันก็ยังเวรตามกับท่านอยู่เวริเว เ, เวรจะไม่นิเวรกรรมทุกะนิดเราทำแล้วมันต้องตามเรา เมื่อมันตามเรามาถ้าเราพ้นจากิเลตก็เป็นแล้วไปถ้าเราไม่พ้นจากิเลตมันก็ตามอยู่อย่างนั้นแหละเราเกิดอีกก็ตั้งตามอยู่ไปอีกตั้งห้าร้อยปันข้าบหรืออะไรต่ออะไรแล้วแต่กอะไรนี่เห็นนั้นปาราทีบาดเวลามันนีเวลามันนีเว้นแล้วเว้นแล้วเว้นอันนี้เว้นแล้วเว้นแล้วเว้นนี่เว้นแล้วแล้วสินห้าถ้าไม่ล่วงละเมิดก็มาเป็นสินตัวดีผู้ชอบล่วงละเมิดสินห้าพู้ชอบล่วงปานาทีบาด เกิดมาในพบใดๆก็ถูกเขาฆ่าต า, ายทุกชาติทุกพบผู้ชอบร่วงการมาีชีวิตชายการพวกชอบร่วงอาทิตนาทายเกิดมาในพบใดชาติใดเขาก็ไม่เคารพของเขายอม ร, รักเสมอเสมอเสมอเสมอเสมอเสมอพูกผู้ฆ่าสัตว์ก็มีอายุสั้นอีกเชื้ด้วยย่ำตายโหงและมีอายุสั้นอีกเชื้ด้วย แต่เรามีอายุยืนอยู่แต่ว่าโรคมากพระเคยได้เคี่ยนตีสักแต่คงจับไม่ถึงให้ตายเหตุนั้นจึงมีโรคมากพระพุทธศาสนาก็มีแต่พระพากระพระองค์เดียวไม่ได้สัญญาเลยแล้วก็จะสัญญากันผลขอนกรรมเมีอยู่เหตุนั้นพระพรองศาสตราจึงสอน ทำเป็นโรคบาลคุ้มครองโรคสองอย่างคนละอายตบบาทความกลัวตบบาทเท่านั้นจะคุ้มครองลงได้ไม่ใช่โูคระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่โรคระเบิดปรมานูเพราะพระเจ้าองค์ไหนๆก็มายืนยันอันเดียวกันนั่นนั่นนถ้าคนเราถ้าโรคระเบิดไม่ละอายตบบาทไม่กลัวตบบาะมันก็ไป่วงระเบิดบะนะเดสียน่าถ้าชาวโลกมีเสียน่าบริบูรณ์เอา้าทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีตำรวจตุรนก็ไม่ต้องมีโรคเอสดก็ไม่ต้องมีแค่ไม่เพียงมันมีขอบเขตยินดีแต่สรางมีและพรรยาของตนนั่น ตัดไต้นลมตัดรมต้นไวได้เพระพระพุทธศาสนาทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีเรือนจําก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ฟ้องเฝ้านะถ้าชาวโลกไม่เครารพศีลห้าหจะตั้งขึ้นกี่ร้านล้านมันก็ไม่อยู่กฎหมายอีพ่ออีแม่เออถูกไหมนั่นนั่นนั่นถ้าไม่มียางอายตว่าไม่มีความกลัวตบบแล้วจะตั้งเท่า ไดมันก็มาอยู่ทําไมเราจึงอับน้าเพราะร่างกายมันสกปรกทําไมเราจึงปัสสาวิถี่ต่เพราะจิตใจมันสกปรกนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้พูดและผู้ฟังใช่ไหมที่เนี่เขาว่าให้พูดมากดูดูดูีให้ก่อนนะพระทหารรักษากจิตหรือไม่ทาไมรักษากจิตเลยถ้าพระทหารรักษากจิตจิตของพระทหารก็ต้องมีโทษอยู่จริงรักษาทาไมรักษากจิตเลย ถ้าพระอาหารรักษาจิตก็พระอาหารก็เป็นทุกข์ตายคล้ายๆกับว่าเป็นนักโทษเป็นคนคุมนักโทษหูวงพ่อเก่งนักโทษจะหนีหพ่อเก่งนักโทษจะมาทําอันตรายแก่ตนด้วยก็เป็นทุกข์ตายเหตุนั้นพระอาหารจึงมาแต่รักษาจิตเพราะจิตองท่าน มันไม่มีเหตุไ ม, ม่ผลอยู่ที่ล้วนนกบินในอากาศวินวันยังข้าก็ไม่มีรอมีเชื้อ น, น้ำวันยังข้าก็ไม่มีรอยเพราะไม่มีอุปทานอยู่ในที่นั่นพราิต ด, ดีพอแล้วท่านจึงไม่ได้รักษาจิตแต่พวกเราที่ยังไปพน่นไม่รักษามันก็ผิดจริงๆใช่ไหมสงสัยว่า้องสงสัยเห็น อ, อ, อันนี้จังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโรครอบหนึ่งใช่ไหมเพราะโริจะมาด้วยอันนี้จังเห็นทุกคณะคิดหนึ่งก็เห็นโรครอบหนึ่งใช่ไหมก็พุโกโรคจะไม่ได้วความทุก เห็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลมีแต่สังขารและกองทุกขณะเจ็ดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามทะเลหลงของตนไปได้ปัญญายะบริสุทธิ์ิบุคคลจะที่สุดก็พระปัญญาปัญญาโลกรมิปัจโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงพระอาทิตย์แสงเดือนแสงดาวแสงไฟ ที่กำบังมนอยู่ส่วนปัญญาไม่มีทะลุภูเขาเลยเห็นอานิจจังเขาเรียกว่าสองทะลุภูเขาภูเขาก็แตกกระเจิงเป็นมันได้ในโลกล้วนอานิจจังได้ในโกล้วนทุกขังได้ในโลกล้วนอนาาัตตาและสงสัยในานาทั้งอดียทั้งอนาคตก็ปัจจุบันด้วยเมื่อเห็นชัดความอนกำลังออกเข้าแล้วความสงสัยโลกจะมาจากประตูใดได้มันก็ไม่มี โลกย่อนลงเป็นสองรูปเปโรกอรูปเปโรกธรรมก็ย่อนลงเป็นสองรูปธรรมอรูปธรรมธาตุก็ย่อนลงเป็นสองรูปธาตุอรูปธาตุสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในปรากฏใ้แต่สลายเหมือนกันสังขารก็ย่อนลงมาเป็นสองรูปสังขารนามสังขารมีแต่รูปกับนามเท่านั้นถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่ลงรูปนามสัตว์ทั้งหลายก็พ้นจากรูปนามไปเหมือนกันพ้ารูปนามไม่เที่ยงเกิดก็จะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดดับเกิดแปลดับ เกิดแปรดับนี่พิจารณาสตร์ทั้งสามการทั้งเกิดขึ้นทั้งแปรด้วยทั้งดับด้วยพิจนาสองการเกิดดับพิจารณาบางท่านกับเพื้องท่ายเนี่วนอยู่ขรับระหว่างไม่ได้เยอะด้วยนี่เปิดเปิดนี่นี่นนั่นนั่นนัอ มวนมวนมวนขว้ามวนขว้ามวนขว้ามวนขว้าโอ้หัวมวนขว้ามวนขวฮะฮะมันง่ามันเสียน่ะหัวโอ้ไปไปเสียหนอฮะเนี่ยเร็วเร็ ฮะ huh? อาพดไปหมุนพิษทางมั้งพี่แน่นเห อ, อุ้ยเ อ, เอาพัดตัวซะสั่นพอตัวนี้นิดนั่นน่ะหมุนพัดตัวซะไปเอาเอาอกไป โอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยฮะเออยสัยอ่อนเฮ้ยคุณใหญ่เหรอเออไปสาววิาวานพุทธาธารสังขุโเพลกสมเพลาร เป็นธรรมม์พันธุธรรมม์เป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคําสอนในะพุทธศาสนาสอนควบมดสอนให้รู้จักคุณวิดารรดาปูยญาตาทุกข์สอนให้รู้จักคุณของท่านผู้ภูมีคุณตลอดถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์คนปู่คนย่าคนตาคนยายคุณท่านผู้มีคุณ เป็นวังขึ้นของคุณพุทธธรรมสงฆ์คนคุณพุทธธรรมสงฆ์ก็เป็นวังขึ้นของคุณพระนิพานไปจบคิวกันอยู่ที่นั่นเอาพุทธศาสนาสอนให้ละชั่วทำดีจงทำดีจงทำดีจงทำดีไว้เป็นเทพึ่งของใจอย่าเป็นผู้อย่าเป็นผู้ทำชั่วจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีเถอะอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลย จงเป็นผู้มีอิสระทางทรรดีถืออย่าเป็นผู้มีอิสระทางทรรชั่วเลยทรรดีก็มาบวกดีอยู่ที่ใจธรรชั่วก็มาบวกชั่วอยู่ที่ใจให้เดือดร้อนทรรดีก็มาบวกดีอยู่ที่ใจให้เป็นที่สบายพระบรมศาสดาสอนสอนแหนเราเรียนง่ายๆความสะสมแห่งความดีนำมาสร้างสุขความสะสมแห่งความชั่วนำมาซึ่งทุกข์ ทุกโขภาปะสะอุจโยความชะสมแห่งบาปนำมาซึ่งทุกความชะสมแห่งความชั่วนำมาซึ่งทุกก็มีความหมายอันเดียวกันสุกขอบุญยัสะอุจโยความชะสมแห่งบุญนำมาซึ่งสุขความสะสมแห่งความดีนำมาซึ่งสุขความชะสมแห่งสิ่งที่เป็นประโยชน์นำมาซึ่งเป็นประโยชน์ก็มีความหมายอันเดียวกัน ความสะสมแห่งความชั่วก็นํามาซึ่งทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันความสะสมแห่งบาปนํามาซึ่งทุกข์ความสะสมแห่งชั่วนํามาซึ่งทุกข์มีความหมายอันเดียวกันความสะสมแห่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็นํามาซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นเป็นประโยชน์ก็มีความหมายอันเดียวกัน ตนเป็นเทพึ่งของตนกับใจเป็นเทพึ่งของใจก็มีความอันหมายอันเดียวกันกำเนิใครกาก็ใจเป็นผู้ก <problems> ขึ้นเพราะผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้มาเกาะขึ้นพระบรมศาสดาบอกว่าง่วงนอนก็ต้องนอนเองเราเป็นเพียงชีบอกเท่านั้นจะนอนแทนไม่ได้ เนื้ออาหารก็ต้องทานเองเราเป็นเพียงชีอบอกเท่านั้นจะทานแทนไม่ได้เพราะความดีมีอยู่กับพวกท่านแล้วเราจึงได้บอกพวกท่านทำดีเพราะความดีมีอยู่กับพวกท่านเราจึงได้บอกพวกท่านทำดีเพราะทุนของพวกท่านมีแล้วพระบรมษาษาศาลาเพราะพวกท่านไม่ได้เป็นบ้าบ่ายเสียจริตผิดมนุษย์ก็ที่ว่ามีทุนความดีแล้ว เราจะทาแทนพระท่านก็ไม่ได้เราเป็นเพียงชค่บอกเหตุนั้นเราจึงเคารพทำถ้าทําไมไม่อยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทาได้พระบรมศาลาเหตุนั้นเราจึงเคารพทำเราก็ไม่ได้ทำก่อขึ้นพระญายมก็ไม่ได้ก่อขึ้น สวงสวรรค์ก็ไม่ได้ก่อขึ้นความดีของสัตว์ทั้งหลายมันบังเกิดขึ้นเองคัานพู้นั่งนั่งสวงสวรรค์ก็คือสัตว์ทั้งหลายได้ทาความดีอยู่ในมนุษย์โลกมันก็เกิดเป็นของดีอยู่ที่นั่นคอยไว้สัตว์โรกสัตว์ทั้งหลายได้ทาดีอยู่ในมนุษย์โลกและสัตว์โลกนรกก็จงเกิดต้อนรับไว้ครับท่านผู้นั้งนอ่งทำความชั่วเมื่อทําความชั่วแล้วความชั่วก็เกิดต้อนรับไว้ผลของความชั่ว ทำความดีผลของความดีก็เกิดต้อนรับไว้ไปไหนคุณป้าไปอ น, นันต์หนอคุณหลานไปไหนอีพี่บ้าอย่างนี้ก็ลูกใครทำดีก็ทำให้เราท้ำช่วก็ทำให้เราคุณหนูคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาย มันถ้าโกริวันธนางผู้ไหว้ย่อมได้ไหว้ตอบผู้เคารพย่อมได้เคารพตอบผู้เบียดเบียนก็ย่อมได้เบียดเบียนตอบผู้แสดงความรักก็ได้ความรักตอบผู้แสดงความรังเกียจก็ได้ความรังเกียจตอบผู้ขอเวรก็ได้เวรตอบ ผู้ไม่ก่อเวรก็ไม่ได้เวรไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีเวรจะมาตอบผู้ทำดีก็มีความดีตอบไปไหนยกมือขึ้นไหวคนนั้นก็ยกมือขึ้นไหวตอบทำดีก็ทำให้เราทำช่วยก็ทำให้เราทำให้คนอื่นไม่ได้เราไปวานคนมาทาให้ให้เราเราไปทำช่วยคนอื่นไม่ใช่ไปทำให้คนอื่นหรอกหรือ ก็ไปทำให้คนอื่นเหมือนกันถ้าเราขี้เกียจไปทําให้เขาเขามาทําให้เราเขก็ทําแบบขี้เกียจเหมือนกันเขาเรียกว่าทําให้เราขอสมานเมียสมานฉันขอผูกเป็นพี่เป็นน้องเออขอเป็นคู่ผีกันเถิดอยมันก็เป็นคู่ผีเหมือนกันถูกไหมมัน <c oughs> ขึ้นอยู่ เวนสนองเวนภัยสนองภัยความชั่วจะไปสนองความดีไม่ได้ความดีก็ตอสนองความดีความชั่วก็สนองความชัว่วรถของความรอดของไฟก็ไปบวกกับความรอดของไฟทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วยอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกเรียนฝ้าอากาศต่อไปนี่ก็จะ ให้พรเขามาให้พูดมากยถาวาริวะหาปุนาโพธิปุริมเทตากะลังเอวเมวะเยโตเทนังเปตานังอุปการะติอิจิตังปิจิตังตุมังคีเอเมวะเมิจตุตะเพปูเรนตสังกปานันโดปนารโสยะถาปนิโชตีเลโสยะถาตเพีโยวาจนะสพโรโภวินสตตเทปวตนตรายสุขีทีขายุภูภาวะภิวายเนศีิจนิจังวุฒาประจายโนจตารูตมาวัทันติ อายวนูสุขังภะเป็นจุปปความสะสมแห่งความดีนำมาซึ่ง <perde> ส <de facto>. ุข <mart> สุขโขปุญญัตสะอุจโยความสะสมแห่งบุญนำมาซึ่งสุขความสะสมแห่งความดีนำมาซึ่งสุขความสะสมแห่งสุดจริตนำมาซึ่งสุขซึ่งสุดจริตความสะสมแห่งทุจริต ก็นำมาซึ่งทุจริตคนเราจำเป็นทุกๆคนต้องจำเป็นทำความดีเถิด อ, อย่าไปเอาความจำเป็นมาทำชั่วเลยทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกที่ดินฟ้าอากาศเลย ทำในใครก่อก็จิตใจมันผู้ก่อขึ้นไม่ใช่เรียนฝ้าอากาศก่อขึ้นไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าที่ไหนมา ouais ก่อข member ึ <economical one gunt ik> ้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจนั่นเองทำบุญก็ไปฉลองบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็ไปฉลองบาปอยู่ที่ใจทำบุญก็ไปต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็ไปต่ออายุของบาปอยู่ที่ใจ ทำบุญวันเกิดก็เพราะเกิดจากบุญเพราะบุญเกิดที่ใจก็เลยทำลงที่ใจทาบาปก็เกิดบาปบาปเกิดที่ใจก็ทำบาปวันเกิดเหมือนกันถ้าเราทำบาปในเวลาไหนก็ทำบาปวันเกิดในเวลานั้นถ้าเราทำบุญเวลาไหนก็ทำบุญเวลาเกิดวันนั้น่ะอันเดียวกันสวัสดีปีใหม่แต่ก็เป็นปีเก่าที่ล่วงมานั่นเอง ถ้าเราทำชั่วก็สวัสดิ์ชั่วปีใหม่เหมือนกันถ้าเราทําดีก็ทําสวัสดีปีใหม่ตํารวจคนคนหนึ่งโต๊ะไปยัง้งมาสันตว่าไปหาจับเขาอะไเขาอวดว่าเขาเป็นผู้ม่บุญห่วยไปหาจับเขาให้หนังมาสันเขาเลยว่าเขาอวดว่าเขาเป็นผู้ไม่บุญ ข้าวถ้าบุญกระอดเป็นผู้ไม่บุญกัเกิดข้าวถ้าบาปกระอดเป็นผู้ไม่บาปก็เกิดเขาคือกันจะไปจับไม่หยั่งมัมันกระเถือมันเป็นเจ้าผู้ไม่บุญอะไรนล้วเราข้าวถ้าบุญข้าก็เป็นเจ้าผู้ไม่บุญก็เกิดข้าทถาบาปเขาก็เป็นเจ้าผู้ไม่บาปก็เกันเขาก็บอกวันแมนเนี่ยเน่ันจนระไปจับไม่หยั่งว่าจันตัวห่ยว่าคือแมนนวลวันจันทรเร่อ้ยผมกับพวนาอยู่ได้รับเพราะว่าไปเอามาสู่เข้าวันไหอเข้าผมกับพวนาอยู่ได้รับเา่ะ รมหายใจเข่าออกวะนะร่มหายใจเข่าออกไม่เป็นกรรมฐานเดิมคนตายเขาไม่ท oh ืร่มหายใจเขาออกุณพระพุทพระธรรมกขไม่ทืดร yeah. ่มหายใจเขาออกุนพระพุธพระธรรมสูงคุนพระพุทธพรานเ็ไม ok ่ทืดล uh ่มหายใจเขาออกความเกิดแก่เก็บตายเขาไม่ยืดร่มหายใจเขาออกคนามาเกิดมาแกบาเก็บมาตายคือพระในพานก็ไม่ทืดล่มหายใจเขาออก ว่าถึงแต่บอกเป็นวาวเสียข่าวเลยขาดอ่านออกบัดอรรถคุณพระพุะทธธรรมประสงค์ก็ไม่อยู่ทุกลมหายใจเขา อ, ออบุคคลพูะทรรบุญก็ไม่อยู่ทุกลมหาสอนทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกอยู่ที่ดินฟ้าอากาศคำสอนในพิพิธสารนะ ทุกโขปาปัสสะอุจจะโยความสะสมแห่งบาปนำมาซึ่งทุกความสะสมแห่งความดีนำมาทำความสะสมแห่งความชั่วนำมาซึ่งทุกก็มีความหมายอันกัดอันเดียวกันทุกโขบุญญสัตตุจจโ ย, ย, โยทุกขโขปาปัสสะอุจจโยโกรมงัข้าความสะสมแห่งบาปนำมาซึ้างทุก ความสะสมแห่งบุญนำมาซึ่งสุขความสะสมแห่งทุดกรดิตนำมาซึ่งสุขความสะสมแห่งทุดกรดิตนำมาซึ่งทุกข์ความสัก็มีความหมายอันเดียวกันตรงกันข้ามกรรมและผลของกรรมใครเป็นผู้สร้างขึ้นก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นพระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจของใครของมันนั่นเองสร้างขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าภายนอก เราตาขาคตรก็ไม่ได้สร้างขึ้นความดีความชั่วเราเป็นพระสมานเจ้พทะเจ้าก็ท่านแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองสร้างขึ้นนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะสร้างดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะสร้างชั่วให้ใจใจเท่านั้นสร้างความดีให้ตนใจมีคุณเป็นวิหารแต่ก็มีโทษเป็นอ น, นันต์ถ้าทาผิดก็มีคุณเป็นก็มีททษเป็นวหาร สามารถไปผูกคอายก็คือใจเองเพราะไหนโลกมีทั้งคุณะโทษสิ่งไหนที่มีคุณเป็นมหันฯจริงนั้นก็มีโทษเป็นอ น, นันต์ใจมีคุณเป็นมหันฯถ้าทำดีบ่อยๆถ้าทำชั่วบ่อยๆก็มีโทษเป็นอ น, นันต์ไฟก็มีคุณเป็นมหันฯแต่ใช่ไม่ถูกก็มีโทษเป็นอ น, นันต์ไม่บ้านไม่เรือนด้วยพระบรมศาสดาสอนให้พวกเราเข้าใจ ง, ง่าย ความดีความชั่วเราเป็นผู้สร้างขึ้นคือใจเป็นผู้สร้างขึ้นไม่ใช่เรียนฝ้าอากาศมาให้สร้างขึ้นสวัสดีปีใหม่แต่ก็ใกล้จะตายกว่าปีตายนี่ถ้าเราไม่ทำดีจะเอาสวัสดีมาจากประตูใ ด, ดมาเปนลงมาสตกรดาษสอนอย่างนั้นบาปก็ไม่ใช่เราไปสร้างไว้บุญก็ไม่ใช่เราไปสร้างไว้เราแต่ละข่านแต่ละคนสร้างขึ้นบา นันมนทัชมาตสร้างกุตติวิหารอยู่ในคาาวาตนั้นทัชมาตุกพระโมฆราเป็นประวัสวรรค์คอเห็นวิมานของใครวิมานวิมานของนันมทัชมาตุกเขาเจ้าของเขาอยู่ที่ไหนเขาทำความดีอยู่ในมนุษย์โลกเขากําลังทำกุตติวิหารหรือบุคคลทําอะไรไว้ในโลกในทางดีมันก็เกิดขึ้นในสวรรค์คอย ทุกคลทำชั่วในมนุษย์โลกมันก็เกิดเป็นนรกคอยพูดอะไรนะแล้วก็เตรียมตัวเกิดเป็นนรกคอยพระนัท้์ลงมาข้างล่างมาการทูนพระบรมศาจารยุคคลพูดทำดีในมนุษย์โลกมันเกิดเป็นของทิพย์เมืองในเมืองสวรรค์เมียไหมพระบรมศาจก็เธอขึ้นไปมาเดี๋ยวนี้เธอไปถามเทวดามาเดี๋ยวนี้ก็มาถามเราใช่ไหมพระบรมศาสจ มันก็มีสินี่พราโมกคลาขึ้นไปภูเขาคิดตะกูดไปเห็นเป็ดตัวหนึ่งเป็นมาาสองปากพระจำพวกหนึ่งไปด้วยพรนก็เยี่ยมพระโมกคลาื่อท่านเห็นแล้วพระพุทธเจ้าเยี่ยมอะไรครับพวกเธอมาดู อ, อ, อเ่งอะไร พอตาคิพก็มามีหม่องอ่อนหัทิพก็มามีหม่องอ่ลงมาหาพระบ ร, รมาสารีราเราเป็นจักาะทุนองค์ท่านผมไม่มีพยานนะเนี่ยผมพูดพวกองค์ท่านก็ไม่เชื่อเสียกันเล่นเฉยๆลงมาหาพระบรมศารีราจะก่อนพอหมดเวลาก็พากันลงมาจากภูเขาทิพย์กุลมาถึงพระบรมศาสาีา ที่เวรวันสวนไม้ไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นวัดป่า mm hmm. กราบทูลพระบรมศาสตราองทัพเด็กพระบรมศาสีราเ mm hmm. ปรตเป็นมากสองปากมันมีไหม mm hmm. ก็เธอไปเห็นเมื่อกี้ เ, เธอลงมานี่ใช่ไหม mm hmm. เธอสนทนากับเพื่อนอยู่ข้าวพอยู่ที่ภูบนภูเขาคิดกระดู mm hmm. เธอไม่ยอมอธิบายให้เพื่อนฟัง mm hmm. เธอว่า มาถึงเราเธอจึงจะถามพวกทัก่นก็ฟังก็มันก็มีสิเหมือนดังเธอที่ไปเห็นนั่นเองเธอเห็นมาเดี๋ยวนี้เธอก็มาถามเดี๋ยวนี้พวกเธอถามอะไรพูดอะไรกันเราได้ยินหมดเราเห็นพวกเธออีกแค่ด้วยเพราะเราก็มีตาทิพย์เราก็มีหูทิพย์พระบรมสารีรามเขาเป็นโทษอะไรพระเจ้าข้าแต่ชาติก่อน มันอยู่ในเมืองมนุษย์มันเป็นผู้ตัดสินคดีมันกินขั้นตัวขั้งจำเลยด้วยตายไปไปตกนรกออกจากนรกก็เป็นเปรตหนมาสองปากเร า, า, า, า, ราเป็นราชาราเปรตที่มีมือยาวๆมันเป็นอะไรพระเจ้าข้า เหมือนไบาตานรากดินไไปไกมาอยู่มันเป็นยังไงระเจาค่เออมันอยู่ในมนุษย์โลกมันไปจับร่างกายผู้หญิงในวัดจับนมผู้หญิงในวัดผู้หญิงก็ไม่พอใจให้มันจับมันตายแล้วมันไปตกนรกออกจากนารกมาก็ เป็นเป็ดมีมือเท่าใบตานไกวไปไวมาลากที่เห็นอยู่ทันพือยังไม่อีกนี่เป็ดที่มีหลักขันอยู่ที่หัวนี่มันเป็นอะไระพระเจาข้าเออแต่มันเป็นเมืองมนุษย์มันอยู่ในเมืองมนุษย์มันไปผอนหลักไร่หลักนาเถอหลักที่เขาขวังเขตแดงถอนญถิ่น ตายไปมันก็ไปตกนรกออกจากนร ก, ก, กมาก็มาเป็นเปรตมีเสาฝังอยู่ที่หัวไฟไฟไม้เหรอเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของเราอันนั้นเพราะเรามีสิทธิเชื่อเรามีจิตไม่เชื่อเพราะสิทธิของใครของมันเนี้อะเนีเ <c oughs> นี่ยนะเนี่ยเอาละว่ เหตุดีผลก็ดีเหตุชั่วผลก็ชั่วตามส่วนกวา่าของเหตุที่ทำน้อยทำมากใครเป็นเจ้าเหตุในายทุนก็คือจิตใจเป็นเจ้าเหตุเหตุสุปัจโยอารมณ์อารมณะปัจโยของนันการเป็นปัจกัยทีนี้ผลของเหตุก็เชื่อมลงมาหาเหตุเหตุนั่งผลก็นั่เหตุฟังผลก็ฟังเหตุพูดผลก็พูดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจ เหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุเข้าใจผิดผลก็เข้าใจผิดเหตุเข้าใจถูกตามเป็นจริงผลก็เข้าใจถูกตามเป็นจริงเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอ่เก้าเหตุนั้นพระพุทธศาสนาจะยืนยันว่าธรรมัญตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จากว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อชัญญตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ใครเป็นผู้วันญักเหตุผลถูกก็พระพุทธศาสนาเท่านั้น เพเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีกิเลสให้บัญญัติเข้าข้างตัวนอกนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้เหตุไปทางชิบหายบัญญัติก็ไปทางเจริญก็มีใครบัญญัติถูกบัญญัติบาปนคนโทษถูกก็มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นเสือเท่านั้นอยากเอามาเอ่อยเลยถูกไหยคนเรียนต้องสูงระชอบผม พูดเข้าใจง่ายฮนี่เออหนึ่งเพราะแต่สองผลของกรรมตามสนองผลของกรรมมันํำคัญมากเคยยิงนกเขาเอาก้างเล่าไปยิง เข้าที hmm. ่นี่ละอายุอายุสิบห้าปีนกเขาตั้งกับตกก็แก๊กก็แก๊กก็แ๊กก็แ๊กประมาณชาตินี่ก็ไม่ได้นกเขาตัวเดียวเท่านั้นอายุส5ห้าปีถอดลูกก้เป่าออกถอดออกก็ก็ก็สองคำในใจขาดมึงเถอะมึงเถอมันจะไหอย่งงเพราะว่มาถึงสองพันห้าร้อยสามสิบก็ระเบิดขึ้นไปโรงพยาบาลเกือบไม่ทังโรคหัวใจติบ ป่วยคาทางยองกลมเลยเกือบไปโรงพยาบาลมาทันอันนี้หลอกไส้เลื่อนหลอกไส้เลื่อนระเบิดขึ้นแล้วนี่ใส่เข็มขัดขอว ง, งูงไลระเบิดขึ้นสองฟันห้าร้อยี่2ิบสองเคยตอนโคช่วยเขาจับโคตอนช่วยเขาตัวเดียวท่า น, นั้นเล้ทชีเลย พอจับแล้วเราก็พูดแย่ยันมันเล่นพูดร่อเล่นอืเขาจะแปรงลูกแปรงโสมให้มึงแล้วให้มึงขายออกอถ้าหากว่าไม่ตอนมึงมึงก็ไปชนเขาขายไปออกมึงก็ไม่อว้วนมึงผอมมึงอยากเชื่อหรืว่ามาพูดร่อมันมันก็เขาไปหนีบลูกอันชันมันก็ร่ออ๊อุ๊กอุ๊กเลยแล้วก็หัวเราะใหม่เขาแปรงลูกแปรงโสมให้มึงมทีนี้เราไปพูดร่อมันเล่น สมัยนั้นอายุยี่สิบปีสช่ไหม่ะราชิขาออกมาใหม่ๆเป็นสมนเด็นอยู่สามปีราชิขาออกมาราชิขาออกม า, าจับโขบช่วยตอนเขาตัวเดียวท่า น, านพอมาถึงสองพันห้า้อยยี่ ส, สิบสองมันก็มาแปลงโลกแปลงโสมให้เราสักเราไม่ไปโรงพยาบาล เราไม่เราไม่ผ่าไม่ตัดสมาทานไม่ผ่าไม่ตัดด้วยสมาทานไม่ไปนอนฆัาเกอในโรงพยาบาลด้วยสองพนันเราบวชเป็นสามนเณรสามพันษาอายุสิบเจ็ดอายุสิบแปดเก้ายี่สิบเป็นสามนเณรอยู่ยี่สิบเอ็ดลาซีขาออกมาหกเดือนก็ไปบวชเป็นพรพันษาหนึ่ง าาลาสิกขาลาสิกขาออกมาแล้วก็มาคัดเลือกทหารเลก็เลยมาแต่งงานแต่งงานสร้างคารวาอยู่เซ็บกว่าปีสองพันสี่รอยแปดสิบหกแล้วกลับมาบวชอีกภรรยาถึงแก่ตรรมจนถึงทุกวันนี้ สองันี่รอยแปหกมาเรียนนักทรรแปด8ิบเจ็ดก็เรียนนักทำเอกแปดสิบแปดก็มาปฏิบัติเพราะนักรัมตีนันเรียนได้ตั้งแต่เป็นเนราวน้นแล้วหลวบวชสามภาสาสมัยนั้นลาซีขาออกไปหเดือนสมัยที่เป็นคนหนุ่มอยู่นะกลับมาบวชอีกปีหนึ่ง เขาให้เรียนของเก่าอีกใช่ไมนมฮะเรียน2412รับไร้เทียบเอกปีนั้นกระทู้นะสิยาโลกวัตคนูไม่ควรเป็นคนโรคโลกคนโรคโลกเราจะเอาอะไรมาอธิบายก็เอาเข้าทุตเจดีสามคนโรกโลก คนนั้นรอกๆเอาเข้าสุดเจริญสามต้องกันข้ามีนีพระวินัยถามว่าวินัยมีกี่อย่างอะไรบ้างเปล่าไม่สามหอเเชี่ยบเอกพุทธปัญญติกับอภิธรรมายการปาราชิตทั้งสี่นั้นพึกชุร่วงคตรชั้งสี่ั้งหรือสี่ที่ข้าบทหรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจึงเป็นปาราชิต ภาระชีพทั้งสี่นั้นไม่ต้องต้องล่วงพบทั้งสี่ข้างหรือสี่ชีขาบทแม้ชีคข้าบดเดียวข้างเดียวถ้าสำเร็จตามความประสงค์ตามที่เจตนาทําก็เป็นภาราชิพยกอุทาหอนชุกชุกแก้ข้าวโนธายายถ้าตายตามความประสงค์ก็เป็นปาระชิพนี่อธิบายอย่างย่อมากเพราว่าท่านผู้ตรวจโทรเข้าใจดีนี่ เราจาได้อยู่นี่ตอไปอีก ข, อข้อง่าย้อง่ายเต็มเต็มทนพชนะปฏิสังขดข้อที่ยี่สิบเกตความว่าอะไรเราจำไม่ชัดขอดบาทก็ตอบเท่านั้นนี่เนีะครับออ ที่มีจะพามาพวกขานตะาอศไรลาแล้วถ้เจะจัจบคอนทอยากมา้าเข็าไปทำได้ได้ได้ได้ลาเขาก็บอกว่าสาลาทำสวยแท้หลวงปู่จะไม่เป็นเกรดมาเฝ้าฝหรื อ, <S <S อลแล้วก็บอกว่าชัคนก็ดีเทวโลกก็ดีรพมโลกก็ดี ได้ได้รับร่วงโดย้อำนาจอันยิ่จังแล้วได้ได้รับร่วงโดยได้อำนาจใจ ร, รักแล้วเมื่อเห็นแต่รักชัดจะไปติดทําไมสิ่งเหล่านี <Well> ท้ทุกสิ่งทุ ก, ทกอย่างจะทำรู้หลาสักเพียงไหนก็ตามมันก็ออกมาจากธาตุดินน้ําไฟยลมนั่นเองถ้าเราไม่สําคัญว่าเป็นของเราในใจโลกธาตุสาคัญว่าเป็นของสังขารหมดเกิดขึ้นมาแล้วกอแปรดับไ ป, ไป ตามสภาพของธรรมดินแต่กไปเป็นดินน้ำแตกไปเป็นน้ําไฟแตกไปเป็นไฟลมแตแบบกไปเป็นลมส่วนเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณก็อันเดียวกันแตกไปตามกระแสะของสังขารส่วนบุญก็ไปบวกบุญส่วนบาปก็ไปบวชบาส่วนมรรคผลยีพานก็ไปบวกบวมรรคผลยลีพานของใจคล้ามาแล้ก็ตอบเขาอย่างนั้นในไตรโลกธาตมันเป็นมวลเครื่อง ข, ของพุทธศาสนาหมดที มือนแช้ปคิศเป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั soup, you, ้นไม่พูดเอีก็จริงเองมาขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้มาขึ้นอยู่กู้เชื่อแระไม่เชื่อเชื่อในทางลึกน้ำพอน้องคอบเืองบางต่างๆไร้ลงสูงมหาสมุทรเรโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไร้ลงสูตรคำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดเอีก็จริงเองมาขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้มาขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเราก็พูดไปอย่างนี้ คำสอนของพุทธศทาสนาสอนให้มาทำลายความหลงของเจ้าตัวสอนให้มาต่อสู้รบกับความหลงของเจ้าตัวที่มันดองขันธ์สันดาลอยู่ที่ดวงใจกิเลสมันมายึดดวงใจแล้วมันมาลอบรอบดวงใจสอนให้ทำลายกิเลสแพ้่ก็แพ้กแพ่กิเลส ช, ชนะก็ชนะกิเลสแพร่ทางอื่นไม่มีในทางพุทธศทาสนา มีแต่เวนสนองเวนไพสนองไว้สังขารโลกโลกคือสังขารตโลกโลกคือมวสัตว์โอกวาโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกไดแก่โรกเสี้ยวอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แกักการมาพัชรกชั้นรวมโลกได้แก่รูปภพที่ฮกชั่นอาลูปภพสี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารแบ่งออกเป็นสองสังขารที่มีใจคลองและไม่มีใจคลองอุปาสินกะสังขารสังขารมีใจคอง อนุปาทิณาตสังขารสังขารที่มันมีใจฟองสังขารทั้งหลายเหล่านี้อยู่ใต้อานาจใจรัะเมื่อสังขารทั้งหลายอยู่ใต้อํานาจใจรักโลกทั้งปวงก็อยู่ใต้อํานาจใจรักพระโลกทั้งปวงสพรจักรวาลทั้งปวงเมื่อลูกชัดว่าโลกทั้งหลายอยู่ใต้อานาจของใจรรักแล้วก็สองทะลุโลกหมดจกว่าสาวะโลกโรขเวทูก่อนหะน้าแต่ไม่ใช่ธรรมะธรพุทธโธกเวทูพราะมหาปารถนาเป็นพระมะธรพุทธเจ้าจะว่า พระเจคโลกับให้ถูกก็ไม่ใช่ก็ไม่ถูกเมื่อเห็นไอ้การคณะกินหนึ่งก็เห็นรอบรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกคณะกินหนึ่งก็เห็นรอบรอมหนึ่งแล้วเมื่อเห็นกจังจริงฟ้องพรลงเข้าลำออกไม่ว้อยแต่ให้ต้องการสักอย่างความสงสัยในโลกสร้างปูอก็คงไม่มีความพยอทยานในโลกสร้างปูอก็ต้องห้ามเบรกลงเราก็พูดอย่างนี้จิงทำไมเจงจะมาเป็นกังวลกับสาลาเท่านี้ ไม่ในใจเรากระทำหาความสุขเห็นไหมไม่เห็นัเลยไม่มีทุกข์ของกระทำก็สุกขเกิดแต่ความไม่ทตตาทุกข์เกิดแต่ใจรัพข์บริโภคทุกข์เกิดแต่ความไม่เป็นนิ่เป็นสินทุกข์เกิดแต่ทํางานที่ปราศจากตัวถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อนาตอาในสังข์ทุกข์ใน โลกุตระสุขในพระสวสดาบันพ้ น, พนจากเกเรเป็นเอกเทศสุขสักทาคามีพ้นจากเกเรเป็นเอกเทศเจ้าพระโลกุตรสุขสุขนาคามีพ้นเกเรเป็นเอกเทศสุขในพระอรหันตพ้นจากเกเรหมดแล้วสุขในทางพระศาสนาสุขในโลกไม่มีเหตุนั้นเพ ร, ราะเราศาสนาจริงจริงยันว่ารุตชีตีติเปรยพุยยับไปเมื่อโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยความสุขไม่มีใช่แล้วความยินดีในโลกทั้งปวง ก็ห้ามเบรกลงก็คือเปิดประตูเข้าใพานไปใ น, นตัวแล้วถรรหันหาสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ากไม่เห็นเห็นนั้นจึงเบื่อหน่ายความหลงของตนไปสักือปัญญาแก่ก้ามาแล้วก็ชะนะความหลงของตนก็ข้ามทะเลหลงของตนไปสักช่วยรักเงือเดียวถูกไหม คำของพระพุทธศาสนาไม่มากก็จริงก็ไม่ออกไปจากใจถ้าหาญก็หาญลงมาหาใจถ้าไม่ยึดมัน่นถือมั่นว่าใจเป็นเราเราเป็นใจผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้อุปทานทั้งหลายก็แต่ไปเจิงไปนักที่นั่นเองพระท่เจ้าสมุทพระบาทก็ไม่ต้องเรียงแบบว่าอาวิชชาศาสหาอุปทานพภพชาตจารามานะโยก็ไม่ได้เทวทุกขโทมนัสอุปายาตไม่ต้องเรียงแบบอนุโลมพระเทว ที่พระ อ, องค์เรียงแบบก็เพื่อให้สมภูมิเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเช่นพระพาหิยะเป็นพระพาหิยะเป็นจะสักว่ารู้เป็นจ ะ, ะนนสักวก่เห็นเนเอะครับพอแล้วแต่สารนา่ะเพื่อจะสามีตาเขียด้วยเพราะอะไรเพราะรู้ชัดในอ น, นัตตาธรรมถูกไหมพระพาหยิยนนะก้อนยันซีใช่ไหมนี่ก้อนยันซีสอนนทําเอธิบายเนี่ยออื สอบสอบแม่แล้วทำใจระเบิวระบาดส่งตอ่อพระเนราลหมดน้โมตัวเดียวก็ส่งตอ่อพรเนน้าโมพระสวสดาันเป็นนโมไม่สงลงทางนโมสักกาคามก็ละอีไป่นนาคาเมีก็ลเอียดไปกว่นนะน า, า น, นะนันโมพระหาพระหรเหียนนโมโจบแล้วนโมไปว่านอน้อม น้อมๆจนไม่มาเกิดแจกเจ็บตายน้อมๆจนไม่มาโลคมาโกรธมาหลงน้อมๆจนไม่มีอุปาทานทั้งปวงทำลาอาวิชาแตกกระเจิงในขณะจิดเดียวเนี่ยควาเรียนหน้าโมจบไปยสนาคมก็เรียนจบแล้วคมจนไม่มาเกิดแจกเจ็บตายถึงไตรสนาคมถึงบางต้นคือสุปฏิพโนถึงบางปลายคือพระรหัส รูปัจจุบันชัดแล้วปัจจุบันพระโสดาบันปัจจุบันสักตะตาเมีย ป, ป, ปัจจุบันพระอนาคามปัจจุบันพระอรหันตจะเอามาเทียบเสมอกันไม่ได้เพราะมีน้ำหนักกว่ากันเพราะมีปัญญาสมบุกสมบูรณ์ต่างกันไตรชี้ขาของพระโสดาบันไตรชี้ขาของสาาัคตะตาเมียไตรชี้ขาพระอนาคามีตรชี้ขาพระอรหันต์ไตรชี้ขาพระอรนเรียนจบแล้วทั้งวรรยัตปฏิบัติปฏิเวศ พัฒนานุตรียะเยี่ยมปฏิปท า, านุตรียะปฏิบัติเยี่ยมนิพพ า, านุตรียะพ้นเยี่ยมแล้วโดยประการทั้งปวงชื่นเชิงไปแล้วส่วนไปเชื้อขาของพระโสดาบันไปเึื้ขาวสังฆาคามไปเึื้ขาวพระอานาคามีจะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้ไะเชื้อขาของพระโคจิปไปเชื้อขาของพระสมารสพระพุทธเจ้าเป็นฟั่นเทนึ่งแม้ปัจจุบันก็โดยนยัยถ้ามีน้ำหนักกว่ากังก็มาถานใจนละอย่างอย่างส่งต่อพระธรรมานหมด มันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนดินก็ส่งต่อพระ涅槃หมดถ้าอธิบายให้ส่งต่อก็ส่งต่อแล้วดินมันไม่ในดินอย่าว่ามันเป็นดินแต่ผู้อื่นไปใส่ชื่อให้มันรูนามให้มันมันก็ไม่รับว่าว่ามันเป็นดินแต่มันก็ไม่ปฏิเสธก็เป็นดินตามสมุติจะปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นของแข็งถึงไหนที่เป็นของแข็งก็บรรดว่าตาดิน สิ่ง kind ท of ี <pol 195 2> ่เป็นของเหลวก็บรญัติว่าธาตุน้ําสิ่งไหนที่เป็นของร้อนก็บญรยายว่าธาตุไฟสิ่งไหนที่เป็นของพัดไปมาก็บัรรยายว่าธาตุลมสิ่งไหนที่เป็นของเอิบอับก็บัญญัติว่าธาตุน้ําสิ่งไหนที่ร้อนก็บัญรยายว่าไฟสิ่งไหนที่พัดไปมาก็บญรยายว่าลมยกรองยันธาตุไฟลมเป็นมหาภูตธาตุเต็มไปในโลกธาตุทั้งปวงโลกธาตุนามาธาตุในแต่โลกธาตุเนี่ยบรรจุโลกธาตุนามาธาตุเท่านั้น มันหยัดรูปและอารูปเท่านั้นในใจเราก็ใช่ไม่มีรูปและอารูปบรรจุอยู่ไม่ใช่พระเนรพาพระเนรพาไม่มีรูปและอารูปคนจากรูปและอารูปไปแล้วพระเนรพาไม่ใช่ผู้รู้ฝากผู้รู้เหนือผู้รู้ไปจนไม่มีเที่ยหมายถ้าหมายอยู่ก็ไม่ใช่พระเนรพาก็พอเหมันเหมือนก็พอมันหมุนก็เป็นมันอีุเชรุ่ยเพราะพระเนรพาไม่ใช่กองงามรูป แห้ือกองนำนลู่ไปจนไม่มี้วที่หมายลู่ตามเป็นจริงของสังขารลูร่ตามเป็นจริงของโลกเสียก่อนเบื่อนายโลกเสียก่อนจึงจะถึงพนันธุ์านเบื่อนายตาหูจมูกเลื่อนกายใจคำว่าเบื่อนายตาหูจมูกเลื่อนกายใจจะไม่ใช่ตาหูจมูกเลื่อนกายใจหรอกหรือ เบื่อนายูปเวสนาสัญญาสังขงารวิญญาจะเบื่อได้ด้วยวิธีไหนคือเ บ, บื่อนาบุคเบื่อนายที่กิเลสไปลงมาเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นเองผู้ตายคาภาวนารูปไปเกิดไหนก็ไปเกิดรูกพระโลกผู้ตายคาภาวนาอารูปไปเกิดที่ไหนก็ไปเกิดอรูปภพ ผู้ตายค่าวภาวนาที่ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกทั้งศูนย์และไม่ศูนย์ตัวไปไปเกิดไหนก็ไปพระนิพพานยิงยาบางทีสักที่ก็หลับไปนะเท่นั่นเองถูกไหมท่านฮะขี้เกียจทักท่ามหรือ เมื่อใดพอใจพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ح, ให้กลงคลืนกันในปัจจุบันผู้นั้นเปิดประตูคณิพานแล้เวเมื่อใดเห็นธรรมทั้งหลายว่าเมตเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมในทุกนั้นแหละทางเห็นวิสุทธิคือสีสุทธิสมาธิสุทธิปัญญาสุทธิเหตุ น, นั้นจึงยืงน่ันว่าวิปัจฉนาทุระ คือทุระทางปัญญาไม่ใช่ศีลทุระไม่ใช่สมาธิทุระปัญญาทุระหรปัจจณาทุระก็คือปัญญาทุระมีทุระทางปัญญาปัญญาย่อมเป็นหัวหน้าของคำทุกหนวดปัญญาของพระโสดาบันปัญญาสักการะเมรังการเมรัอรหันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัญญาของพระปัจเจกัสมาพระพุทธเจ้าก็มาเทียบกันไม่ได้มีคุณค่าต่างกันถ้าเอามาเสมอกันหมดมันก็ปราศ ประสาทตีเสมอคือยกตนเพียมเท่า